ก็เราได้เข้ามาในช่วงนี้เป็นเวลาที่ค่อนข้างสั้นตามมุติแต่ละครัสคือเราจัด10ถึง20อันนี้ก็เราจะลงปฏิบัติได้ก็16กถึง20กสิบสวันเองซึ่งความจริงแล้วคนนี้นาจะได้สัก10วันยังนเพราะว่าเราไปยิดอยู่ทางอื่นในการ การปฏิบัติในวิธีการองพุเทเธียนเนี่ยต้องการที่จะให้ค้นคว้าศึกษาในการกระทำมากกว่าในความหมายและคำพูดเพราะความหมายและคำพูดเนี่ยมันบริการแยกแยะให้เกิดแนวความคิดต่างที่สลับซับซ้อนไปเรื่อยๆแต่ถ้าหากว่าเรายังไม่ได้สติยังไม่ได้ตัวปัจจุบันเนี่ยเราก็จะไม่สามารถ ลงรายละเอียดเกี่ยวกับการกระทําได้อีกเพราะจิตของเรามันยังอยู่ในกําลังของความคิดและอารมณ์ต่างๆเรากําลังที่จะปรับให้ <c oughs> ทําความเข้าใจเนื่องอ น, นิสงค์ของการอยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุดเพราะมันเป็นจุดเดียวที่จะนําไปสู่ประตูพระนิพพานได้คือปัจจุบันธรรมนั่นก็คือมีความ กายกับใจเขาเขาไปด้วยกันไม่ชักเยือกกันนะในความหมายนี่ถ้าหากว่าเราไ <c oughs> ม่ยังไม่มีออสติระดับที่เป็นสมมาสติเนี่ยเราก็จะจิตของเราก็จะเวี่ยงซ้ายเวียงขวาไม่สามารถจะหาความสุขได้ณนะปัจจุบันขณะแต่ถ้าหากว่าจิตของเราไม่เวียงซ้ายเวียงขวาลงอยู่กับปัจจุบันเนี่ยจิตของเราก็เหมือนกับ หินที่โยนลงในน้ำเมื่อก็จะลงไปถึงก้นบึงของสระชั้นใดจิตของเราถ้ามันจมลงณปัจจุบันแล้วมันก็จะลงไปสู่รายละเอียดต่างๆของร่างกายของรูปของนามของกายของใจได้ลึกขึ้นนะเหมือนโยนหินลงในน้ำเนี่ยท้องน้ําลึกเท่าไหร่มันก็ลงไปเท่านั้นอันนั้นในวิธีการนุภพเทียนจึงใช้ตัว การเคลื่อนไหวเนี่ยเข้ามาเป็นตัวพลังของสตินะเพราะว่าเราได้ทดสอบมาหลายๆวิธีวันนั้นไปที่ไปเปิดที่เชียงรายที่ซามเดลท อ, องคำเชียงแสนตอนกลับมาเนี่ยก็มาแวะที่ เชียงคำนั่นเป็นสาขาอีกสาขาหนึ่งของแพลแสงเทีย น, นก็แม่ชีหนึ่งก็กลุ่มหนึ่งดูแลที่นั่นก็พูดถึงว่าเอ๊ะหลวงพ่อความรู้สึกตัวเนี่ยมันก็ไม่ยากนะแต่ทำไมาใจมันอยู่ยากเหลือเกินเพราะว่าเม่ชีเนี่ยก็ไม่เชื่อมั่นในความรู้สึกตัวที่เป็นปัจจุบันแล้วก็ไปวิ่งหาวิธีอื่นว่าน่าจะดีกว่านี้วิ่งหาไปห้ามาสา ที่หที่แล้วมันก็ไม่สามารถจะหนีจุดนี้ไปได้ในที่สุดแกก็กลับมาใหม่เพราะกลับมาเที่ยวนี้จิตมาลงตัวไม่มีอะไรอื่นเลยที่จะทิ้งนะตัวรู้สึกณนะปัจจุบันไปได้พอจิตมาลงตัวอย่างนี้ปั๊บเนะี่ยยอมรับในตัวปัจจุบันการที่จิตของเราจะยอมรับในตัวปัจจุบันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะเพราะอะไรเพราะจิตของเรามันมีวิบากแต่ละคนเนี่ยมีวิบากกรรม ติดตัวมาตั้งแต่ไหนแต่ไรบรรพบุพ ร, รุษเราสืบทอดกันมาตามความคิดเขาประมาณนะว่าบรรพบุรุษแต่ละคนที่เขาคำดีความชั่วมาเนี่ยมันก็ต้องฝังอยู่ในวิจิตวิญญาณในดีนเองเข้าแหละมาเป็นมเมล็ดพืชที่มาปฏิสนธฑ์ที่เป็นเราเนี่ยเราก็ต้องถูกแรงเวี่ยรของกรรมนั้นไปตามอํานาจของมันถึงแม้เราจะรู้อย่างชัดเจนว่า ถ้าจิตเรามาอยู่นับปัจจุบันขณะเนี่ยมันจะไม่มีปัญหาแต่มันอยู่ไม่ได้เพราะแรงเหวี่ยงของแรงกรรมเนี่ยมันจะต้องทำให้จิตของเราวิ่งไปอดีตอนาคตตามแรงของกรรมรู้อย่างดีที่สุดแหละแต่ว่าคนที่ได้ดวงตาเห็นธรรมคือยอมรับซะก่อนว่าเนี่ยตัวปัจจุบันเป็นตัวที่พึ่งของจิตแต่ไม่สามารถจะอยู่กับ ตัวปัจจุบันได้นานเพราะแรงเหวี่ยงของกรรมมันยังแรงอยู่ก็ต้องไปตามมันก่อนอมันอยากไปนู่นมันมันจะออกมาในรูปของความอยากความอึดอัดความเพิดเพลินความฟุ้งซ่านความสงสัยพวกเนี้ยกรรมวิบากกรรมในกลุ่มต้นมันจะออกมาลักษณะ5ลักษณะถ้าจีของเรายังมีแรงเหวี่ยงของความอยากความหงุดหงิดความไม่พอใจความอึดอัดขาดเครื่องอยู่ แล้วก็เป็นวิบากที่เราได้รับมายังมีความข <c oughs> ี้เกียจความหืดอาดยืดยาดความง่วงเหงาเขานอนความเพลินในความสุขสนุกสนานอยู่ก็เป็นวิบากกรรมที่ติดมายังมีความฟุ้งซ่านอาินตนาการไปเรื่องราวต่างๆไม่จบไม่สิน้นก็เป็นวิบากกรรมที่มันติดจีวิญญาณเรามาเรายังมีความลังเลสงสัยไม่แน่ใจ อันนั้นอันนี้ไปก็เป็นวิบากอันหนึ่งที่ฝังต่อกันมาซึ่งเราก็จะถูกแรงเหวี่ยงของพวกนี้ mm hmm. เขาเรียกว่าเสนาแมนเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาจนกระทั่งว่าเรามีความมั่นใจในความรู้สึกตัวเนี้ชัดเจนแล้วถึงแม้ว่าจะถูกแรงเหวี่ยงของแรงกรรมันจะพัดแกว่งไปแกว่งมาว่าแล้ในสึกพอเรารู้สึกตัวแล้วก็ปรับผิดมาอยู่ปัจจุบนันอีกถ้าปรับนี้บ่อยเข้าไปเข้าไปเข้ า, ขาแรงกำมันก็หมดไปหมดไปหมดไป หมดไปเรื่อยๆเหมือนเหมือนลูกตุ้มที่อ่าา น, นหมดเหมือนลูกตุ้มที่เราแก่งเนี่ยถ้าหากว่าจับแก่งข้างหนึ่งนะโยนมาเคยไปเที่ยวอ่าถ้ที่แจ็คสันที่ไอ้มิสซรูรีเขามีลูกตุ้มเาฬิกาที่ว่า มันแก่งตามความนุ่งถวงของโลกมันจะบอกนาฬิกาอันนี้ไม่มีใครแก่งมันมันก็แก่งของมันตลอดอันนั้นก็เลยว่าถ้าเราหยุดแก่งมันเส้น พอมันหมดกําลังมันก็ลงมาตรงกลางเรานึกถึงลูกตุ่มอะลูกตุ่มใหญ่ๆลูมตุ่มเหล็กนะยนนาฬิกาถ้ามันไม่หยุดแกว่งหมายความว่ามันมีเราไปจับมันแกว่งแต่นี่ไม่ได้กลุมกามันมันไดแรงขับจากแบตเตอรี่นะแต่นี่หมายความว่ามันได้ขับจากเราจับโยนเนี่ยทุกครั้งที่ที่เราหยุดในการที่จะไม่จับเหวี่ยงมันเนี่ยมันก็หยุดห้องมันเอง ก็อยู่ตรงกลางอพอแรงกรรมมาใหม่แล้วก็ไปจับมันโยนใหม่แต่พอเรามาเจริญสติเนี่ยเราหยุดการที่จะไปจับมันเหวี่ยงซะเนี่ยมันก็หยุดของมันเองแต่เนื่องจากว่าตัวอวิชชาคือที่จะไปรู้เท่าทันไอ้มือที่จะไปจับรูกตุ้มเหวี่ยงนะ่ยมันไม่ทันมันความเคยนะดังนั้นเองจิตของเรากเกี่ยงซ้ายทีขวาทีเหมือนลูกตุ้มเลกา อหยุดแว่งหยุดไปแว่งมันก็หยุดของมันจิตของเราไปซ้ายไปขวาไปอดีตอนาคตอยู่ตลอดจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามถ้ารู้สึกว่ามันไม่สนิทไม่สงบไม่หยุดไม่เย็นนั่นแหละมันก็ไปละมันอาจจะไม่เป็นเรื่องเป็นราวไม่เป็นจินตนาการแต่มารู้สึกอะรู้สึกว่ามันไม่สนุกไม่พอใจไม่ชื่นชื่นไม่เบิกบานไม่กระปรี้กระเป๋าไม่ตื่นตัว มันก็มีอยู่ในตัวมันเพราะว่าความอารมณ์เนี่ยมันจะออกมาในความรู้สึกที่เป็นจินตนาการก็มีไม่ใช่จินตนาการก็มีแต่มันเป็นแรงขับอยู่ข้างในดังนั้นการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นการดึงจิตมาอยู่ปัจจุบันบ่อยๆบ่อยๆบ่อยเข้าบ่อยเข้ า, อขาพออยู่ปัจจุบันแต่ละครั้งมันก็จะมาเห็นรายละเอียดของรูปกับนามกายกับใจเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้ น, นเหมือนเราขุด หลุมฝังเสาเนี่ยเราขุดไปลึกเข้าลึกเข้าลึกเข้าเสาหรือลหลักที่ตอกลงไปเนี่ยมันก็จะมั่นคงถ้ามีอะไรมาชนซ้ายชนขวามันก็จะไม่ล้มนะแต่ถ้าหลุมนั้นยังไม่ลึกหลักนั้นยังไม่แน่นพอเนี่ยพอมีอะไรมาชนมันก็ล้มจิตของเราถ้ามันหยักลงปัจจุบันเราก็ต้องพยายามตอกมันให้ลึกลงไปลึกลงไปลึกลงไป เมื่อมีอดีตอนาคตที่เป็นแรงกรรมที่มาเหวียงผลกระกบทบมันก็ไม่ล้มไปกับความคิดอารมณ์อันั้นอันนี้คือคอนเซปที่เป็นรูปธรรมนะ น, นั้นเองท่านก็นแนะให้ดูกายกับใจกายหลักหนึ่งใจหลักหนึ่งที่มันเวียงกันอยู่แต่ร่างกายเนี่ยไม่มีปัญหา เราจับอยู่ไงมันก็เป็นท่อนไม้ท่อนฟืนนะ่ะแต่ตัวที่มันทําให้ท่อนไม้ท่อนฟืนตัวนี้ต้องแก่งไปตามอำนาจตามก็คือแหล่งของจิตคือแหล่งของพลังงานคื อ, อตัวรู้และตัวไม่รู้นี่แหละนะเพราะฉะนั้นตัวรู้ที่เรามาสร้างเนี่ยให้มันมีกําลังเพื่อที่จะดึงให้จิตอยู่ณนะปัจจุบันให้ให้ได้นานนะ แต่ตัวไม่รู้มันก็มาเพราะตัวไม่รู้มันมาด้วยแรงกรรมแรงกรรมทําให้เราเผ ล, อ เ, ลอเผลอแล้วทำให้คิดกรรมทั้งหลายมันก็มาตามตัวอวิชชาคือความเผลอนั่นแหละถ้าเราไม่เผลอเนี่ยกรรมทั้งหลายทั้งปวงก็มาไม่ได้เพราะมันไม่มีที่มาพอเผลอปั๊บมันก็เข้าล่ะแต่ไม่เผลออ่ามันก็ห่างออกไปแล้วก็ชิงโอกาสกันอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นเราจะทำไงถึงพยายามกระตุ้นตัวความรู้สึกเนี่ยให้ชัดเจนไว้เสมอ ไม่ให้เพลินตัวเผลอเนี่ยมาจากคนตัวเพลินก่อนอย่างเา น, นั่งสั่งใจว่าเดินโยกมุมสักพักเราก็จะเพลินพอรู้สึกว่าเพลินปั๊บเราก็ปรับละปรับให้ตื่นตัวใหม่ในเครื่องคอมพิวเตอร์นานๆครั้งเราจะรีเฟรชจะรีเซ็ตมันแต่ว่าในจิตของเราเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงที่ไวมากต้องรีเซตมันทุกทุกระยะเลยโดยการตั้งสติตั้งจิตตั้งใจอยู่เสมอนะ ถ้าเป็นอย่างนี้ตัวสติที่อยู่ณปัจจุบันเนี่ยมันก็จะตามดูตามรู้อาการของการของจิตได้มากขึ้นมากขึ้นรายละเอียดต่างๆรู้ง่ายๆตั้งแต่สังเกตเรื่องลมหายใจเข้าออกของง่ายที่สุดของใกล้ตัวที่สุดสังเกตเรื่องการลุกลยีบทนั่งยีบทนั่งก็มีรายละเอียดของการนั่งว่านั่งมันรู้สึกอย่างไรเวลายืน มันก็มีรายละเอียดของการยืนแล้วความรู้สึกในการยืนเป็นยังไงเวลาเดินก็มีความรู้สึกของการเดินว่าเดินมีความรู้สึกยังไงเราก็เข้าไปดูสังเกตนั้นหรือเวลานอนก็มีความรู้สึกในการนอนแต่การที่จิตของเรายังไม่คุ้นต่ อ, อการอยู่ปัจจุบันอย่างชัดเจนเนี่ยเราก็ยังลังเลอยู่ว่ามันเป็นอย่างไรอย่างไรอย่างไรไปเรื่อยๆเราก็ไม่สามารถที่จะตกลงปรงใจใน ปัจจุบันได้มันก็แกว่งไปอีกกับความคิดและอารมณ์ถ้าจะเป็นอยู่เนี้ยจนกระทั่งเราไม่หยุดความเพียรเราทําความเพียรไปเรื่อยๆมันจะคิดอะไรไปกระช่างมันอ่ะเราไม่ไม่ไม่ให้ความสําคัญมาใ ห, ให้ความสําคัญเกี่ยวกับขณะปัจจุบันชัดเจนไปเรื่อยเืยจิตของเราก็สั่งสมตัวรู้ที่เป็นปัจจุบันขณะไปเรื่อยๆรจนกระทั่งว่าน้ําหนักของตัวรู้ปัจจุบันขณะเนี่ยมันมีน้ําหนักมากขึ้น มันก็สามารถจะฉุดจิตรู้เท่าทันจิตที่มันจะพลังจะแก่งไปอดีตอนาคตให้มาอยู่ณปัจจุบันมากขึ้นถึงเวลานั้นเดี๋ยเราถึงจะตกลงปลงใจได้ว่าเออปัจจุบันขณะมันเป็นอย่างนี้จิตมันเริ่มลงณปัจจุบันมันจะเริ่มสงบเริ่มเย็นเริ่มปลอดโปล o n เริ่มสบายแต่เนื่องจากที่เราสั่งสมความคิดและอวิชามายาวนานมันเลยมีพลังเราจะจัดการให้มัน จิตให้มันมาลงันปัจจุบันทันทีเนี่ยไม่ได้แรงเหมือนก็จับรถตุ้นแว่งเนี่ยเราจะบอกให้มันหยุดทันทีไม่ได้มันก็ต้องหมดแรงเวี่ยงมันก่อนมันถึงจะหยุดแต่ในกรณีที่เรามีกาลังพอล้าไปจับให้มันหยุดก็ได้ไม่ต้องรอให้มันหยุดเองนั่นหมายความว่าสติสัมยาเราฝึกมาพอพระจิตมันจะเวี่ยงซ้บ่งเราก็จับให้มันหยุดเสีย มันก็ได้แต่ในกรณีที่การตัวรู้หรือสติใช่ไหมเราไม่แรงพอเราพยายามจับให้มันหยุดมันก็ไม่หยุดเราพยายามที่จะไม่คิดมันก็คิดนั้นแบบคําว่าแรงเหวี่ยงมันยังแรงอยู่บางเรื่องเราไม่อยากคิดแต่มันก็คิดหรือบางทีจับไว้นิดเดียวอมันก็ไปอีกแล้วลักษณะนี้มันก็ยังมีกําลังของอวิชชาเพราะฉนั้นอวิชชาตันหาวัฏฐานมันพุ่งด้วย กรรมใช่ไหมอวิชาตัญหาประธานกรรมเพราะอาวิชาความไม่รู้เท่าทานที่ก่อให้เกิดความอยากและความเพลินเพราะความอยากและความเพลินก่อให้เกิดความยึดเพราะการยึดแล้วมันก็ไปกระทําตามมันก็เป็นกรรมนะแรงกรรมมันก็เกิดขึ้นเพราะตัวนั้นนะทุกครั้งที่เราขาดสติมันก็สร้างกรรมแหลนะเป็นสิ่งที่เราต้องใส่ใจให้มากเลยว่าทาไมว่า เส้นทางนี้มันชัดเจนแล้วที่พระพุทธองค์ประกาศไว้ชัดเจนแล้วไม่มีอะไรน่าสงสัยแต่ทําไมเรายังสงสัยยังไม่แน่ใจก็เพราะว่าแรงกรรมของเรา ย, ยังสูงอยู่นั่นเองนะซึ่งถ้าเร า, เามีความตั้งใจอย่างจริงจังแรงกรรมมันี้แทนที่เราต้องไปสวยมันได้อีกหลายภพหลายชาติแต่มันก็สามารถทําให้สั้นลงได้เพราะเราเข้าไป ลดไปลดกาลังเพราะฉะนั้นตัวรู้หรือตัวสติตัวรู้หรือตัวสติเนี่ยมันจะเป็นเป็ น, ปนตัวเข้าไปลดแรงเหวี่ยงของจิตเราเชื่อกว่าแรงกรรใช่ไหมมันก็ ง, ง่ายนะไปเรียนเหวี่ยงของจิตให้มันให้มันสั้นเข้าสั้นเข้าสั้นเข้าเพระฉะนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ตัดประกันว่าถ้าคนไหนได้รู้จักสภาวาปะปัจจุบันชัดๆแล้วเนี่ยแม้ว่าแรงกรรมมันจะสูงขนาดไหนมันก็ไม่เกิน7ปีจิตมันจะต้องมาลงหนปัจจุบัน อย่างกลางไม่เกิน1ปีถึง3ปีอย่างเร็วที่สุดไม่เกิน1วันถึง1ปีก็ตัดเอาไปเป็นช่วงเป็นช่วงดังนั้นเองมันก็เป็นหลักวิยทยาศาสตร์ที่สามารถพิสูจน์ได้แต่ว่าเราก็ยังไม่ตกลงรงใจที่จะเชื่อได้เพราะเนื่องจากว่ามีแรงกรรมที่เราจะต้องชดใช้เพราะอะไรเพราะเราองมีอวิชชายอยู่ เมื่อมีอวิชามีตัวเพลินตัวเผลออยู่มันก mm ็ต้องมีกรรมตามมาเพราะเป็นเหตุปัจจัยของมันนะถ้าหากว่าเราไม่อยากจะให้มันมีกรรมหรือกรรมที่มันมีสังสมมาเยอะแยะให้มันหมดไปโดยไวยเราก็ต้องไปจัดการที่ตัวอวิชาตัวเพล่อตัวเพลินต่างๆที่เราเพลินในลูกในเสียงในกลิ่นในรสเนี่ยให้กําลังมันเพลินมันน้อยลงมาเราตัดกําลังตัวเพลินนั้นตลอดเวลาที่มาพาดินพานั่งพานอนเพื่อตัดกําลังของความเพลินเพราะนั่งนานหน่อยก็ไม่ได้เพลินแล้ว เลแล้วมันก็จะง่วงก็จะไหลละ่ะพอเราตัดกำลังมันพยายามเปลี่ยนนิยบุตพยายามปรับ ร, รูปน้ารนี้ให้มันตื่นตัวอยู่เสม อ, อความเพลินมันก็ ม, มาเมื่อความเพลินไม่มาความเผื่อวิชาก็เข้าไม่ได้เมื่อตัดวิชาได้ตัณหาก็ตัดไปอุปทานก็ตัดไปกรรมก็ถูกตัดไปอีกพอตัดบ่อยเข้าไปเข้าแรงกรรมก็ลดลงลดลงเพราะฉะนั้นง่ายที่สุดคือพยายามสังเกตว่าเราเพลินเพราะอะไรเพลินเพราะสุขเวทนา จะทำให้เราหลับเราไหลเราง่วงเราซึมเราชอบเราดับเราหลับเรานิ่งเราดิ่งเราเข้าไปในความสงบนั่นเองแล้วก็เพลินในสุขเวทนาแต่เพลินในทุกเวทนาเราก็จะเป็นลักษณะความคิดปรุงแต่งฟุ้งซ่านเรื่องโน้นเรื่องนี้ก็เพลินในความคิดถ้าเพลินในทุกเวทนามันจะออกมาเป็นความคิดข้อสงสัยการปรุงแต่งกับตัวกังวลถ้าเพลินในสุขเวทนามันจะออกมาในความสงบความ อยากแล้วก็ความง่วงเหงาเหานอนจะออกมาในแบบนั้นเพราะฉะนั้นผลของมันไว้ทํำไมเราง่วงทำไมเราคิดก็ผลของมันออกมาจากความเพลินทั้งสองด้านนั่นเองเพลินในด้านบวกก็เพลินในด้านลบเพลินในด้านบวกออกมาในแง่ของอกามาฉันทะเพลินในด้านลบมันออกมาในแง่ของพยาบาทะความหมงุดหงิดอึดอัดขัดเคืองเพลินได้สองด้านแล้วแต่มันจะแก่งทางนิธิ แก่งเวอร์ดนี้เป็นเพลินด้านสุขเทนาแกว่งเวอร์ดนี้ไปด้านทุกขเวนาแ้่พอมีสติปั๊บมันไม่แกว่งตกอยู่ตรงกลางมันไม่เพลินซ้ายเพลินขวามันไม่เพลินเผลอไม่มีอยากไม่มียึดไม่มีกรรมก็ไม่มีแรงกรรมก็ลดลๆลงไปเรื่อยๆเพราะฉนั้นอยากจะตัดเวรตัดกรรมของตัวเองก็คือตัดความเพลินให้ได้เพราะกรรมเวรทั้งหลายทั้งปวงที่เราสั่งสมมาในอดีตมันอาศัยทางให้ความเพลินและความเพลินของเรานั่นเองเป็นที่มา แล้วก็เรามาศึกษาเรื่องความเพลิของผลก็คือมาศึกษาเรื่องตัวรู้สึกตัวเนี่ยแต่ขณะรู้สึกตัวแล้วก็เพลินได้ทั้งสร้างจังหวะไว้ไสัพกพรกมัก็ไหลแล้วไหลไปสู่ความคิดบ้างไหลไปสู่ความง่วงล่างไหลไปสู่ความสงบบ้างมันเพลินไปละเราก็ตุนให้ตื่นอีกอย่างนี้เรื่อยไปหลักปฏิบัติมีอยู่แค่นี้แต่ว่าเนื่องจากว่ามัน มันยังไม่ถึงเวลานั้นเราก็อดสงสัยไม่ได้เมื่อแหละมันจะเป็นเมื่อไหร่มันจะเห็นเมื่อไหร่มันจะมีเมื่อไหร่มันจะรู้มันก็อันนั้นก็เป็นตัววิบากกรรมของเราเนี่ยมันพาสงสัยทั้งๆที่ว่าเราเดินหนึ่งร้อกิโลเนี่ยเราเดินไป5กิโลสิกิโลก็สงสัยว่าเมื่อไหร่มันจะถึงความจริงไม่ต้องสงสัยก็เดินไปเรื่อยๆก็ถึง100กิโลใช่ไหมอันนี้มันไม่ถึงก็คิดอยู่เนี่ยเมื่อไหร่คิดไปคิดมาท้อไม่เดิน พรามันไกลเกินไปไม่ไหรไม่ถึงเสียทีเราเดินมาไม่ถูกหรือเปล่ามันก็คิดไปละทีเนี่ยเพราะเราอะไรเพราะเราขี้เกียจเดินแล้วทํางานด้วยความคิดนั่นะถ้ารู้ว่าเส้นทางนี้แน่นอนเรามีป้ายบอกทางมีเส้นทางมีคนเดินทางมาบอกเรียบร้อยแนละ้วไม่ต้องสงสัยละเรามีหน้าที่เดินเพราะเดินนั้นเป็นของจริงเนี่ยนะแต่ความคิดมันเป็นของหลอกเราก็ไปเชื่อของหลอกไปเชื่อความคิดแต่เราไม่เชื่อการก้าวเดินของเราแต่นั้น เวลาปฏิบัติแนวนี้ก็จึงพยายามทุกครั้งในการที่จะตามดูตามรู้ตามเห็นตามสังเกตตามเฝ้าดูในการกระทำของกายในการกระทําของจิตการกระทํำของกายเรียกว่าเวทนาการกระทํำของจิตเรียกว่าอารมณ์และความคิดแล้วก็ตามดูอาการของมันนะแต่กายกับจิตนั้นมันไม่มีปัญหาเพราะมันเป็นประมัตด แต่อาการของกายอาการของจิตตัวนี้มันเป็นตัวที่จะทําให้เป็นสังขารขึ้นมาถ้าไม่มีสังขารกายก็คือกายจิตก็จิตรูปก็คือรูปนามก็คือนามแต่ถ้ามันมีสังขารขึ้นมารูปมันไม่ใช่รูปละรูปมันเป็นกูเป็นมึงเป็นสวยเป็นงามเป็นดีเป็นชั่วไปละจิตของเราถ้ามันมีสังขารขึ้นมาก็เป็นถูกเป็นผิดเป็นบุญเป็นบาปไปละเห็นไหมคืออาการเข้ามาเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเราจําเป็นจะต้อง เอาจิตเดิมแท้กลับมาคือความรู้สึกตัวล้วนๆความรู้สึกตัวตรงๆซื่อๆเนี่ยด้ ว, วาจิตเดิมแท้จิตเดิมแท้มันสะอาดป็นผ่องใสมันมุนมงามอยู่ยแล้วที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าปัสรมิทังจิตตังอาคันตุเกเสหิอุบะกีถังว่าจิตที่เดิมแท้นผ่นองใสสะอาดบริสุทธิ์แต่เมื่อมีอาคันตุกะ คือกิเลสจรมาไม่มีสติไม่มีปัญญาเข้าไปป้องกันจัดการจิตที่ผ่องใสนั้นจึงเศร้าหมองไปด้วยอาคันตุกะกิเลสก็คืออารมณ์ที่จรมาอาดีตบ้างอานาคตบ้างมันจรมามากระทบเราก็ไปตามมันนั้นเถอะเราไปตามอาคันตุกะไปตามแขกที่เราไม่รู้เขาก็พาเราไปในทางที่ไม่ถูก ทางที่ดีเราก็ต้องกลับมาหาตัวรู้สึกเพราะตัวรู้สึกตัวนี้เป็นตัวที่จะนําไปสู่พระพัสดราจิตนําไปสู่จิตที่พองใสเลืองพุทธจิตนะนั้นเองตลอดเวลาของการปฏิบัติเนี่ยเราไม่ต้องไปสงสัยเรืองพยายามหาความหมายอะไรมากเพียง <c oughs> แต่ว่าใส่ใจลงการกระทําทุกขณะขณะให้มากเท่านั้นเองจะดื่มจะกินจะดื่มจะกินจะนั่งจะนอนจะหยิบอยากจับเฉยพยายามใส่ความรู้สึกขึ้นไปชัดๆ แต่ถ้าหากว่ามันมีอะไรมาฉุดลั้งจิตของเราออกจากปัจจุบันไปก็ให้รู้ว่าอ้ากรรมใหม่แล้วกรรมมาจากอะไรมาจากยึดยึดมาจากอะไรมาจากอย่างอย่างมาจากอะไรมาจากเพลินเพลินมาจากมาจากเผลอแค่นั้นเราไประวังความเผลอความเผลอความเพินความเผลอความเพลินเช่เนี่ยมันก็ไม่ไปสร้างกรรมแต่เราห้ามได้ไหมห้ามไม่ได้แต่ให้รู้ทัน ยุงเนี่ยไปห้ามมันมาเกาะเราได้ไหมไม่ได้แเรารู้ทันก็ป้องกันขโมยตามหมู่บ้านต่างๆไปห้ามได้ไหมไม่ได้แต่เรารู้ทันโรคภัยแค่เจ็บเราห้ามได้ไหมไม่ได้แต่เรารู้ทันพรารู้ทันเราแก้ไขป้องกันใช่ไหมมันก็ไม่เกิดความคิดและอารมณ์ต่างๆห้ามอะไรไหมไม่ได้แต่รู้ทันเราแก้ไขความเจ็บความปวดของร่างกายเรานั่งยืนเดินนั่งนอนนห้ามอะไรไหมไม่ได้แต่เรารู้ทันเราแก้ไขและการรู้ทันแก้ไขรู้ทันแก้ไขนี่เองคือตัว ปัญญา น, นั้นคนจะร่วงทุกได้ด้วยปัญญาและคนจะถึงที่สุดได้ด้วยความเพียร น, นะดังนั้นในหลักการอันนี้จึงให้สังเกตว่าในช่วงที่เราตั้งใจมีสิ่งกระตุน้นสิ่งเร้าให้รู้สึกเราก็ตั้งใจแต่เมื่อไรขาดการกระตุน้นขาดการเร่งเรา้าขาดการเตือนจิตเราก็ไปสู่ร่องเดิมอีกไปสู่ความเผลอและความเพลิ อ, อีก พอเราไปเดินสติอนี้เราก็ต้องค่อยปรับอยู่เลยเดินไปเดินมามันเพลือเอาอย่าเดินไม่รู้ตัวละนะหรือทานไปทานมามันเพลอเอาทานไปเข้าไปสู่ความอร่อยละคุยไปคุยมามันเผลอเอาคุยไปเรื่องนอกตัวละเนี่ยมันเพลอในง่ายที่สุดเลยแต่ละแต่ละขณะแต่ละขณะแต่ถ้าในฐานะเราเป็นผู้ที่จะฝักใฝ่ในการที่จะามาตัดเรื่องกรรมเรื่องเวรเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยตัดภพประชาติของเรืองให้สั้นลง เราก็ต้องเอาใจใส่ในการที่จะรู้สึกตัวเตือนตัวให้รู้สึกตัวเนี่ยเอาใจใส่อยู่เสมอต้องถามตัวเองเสมอจะลุกจะนั่งจะย่างจะเดินจะไปจะมาก็ถามตัวเองว่ารู้สึกตัวหรือเปล่าถ้าไม่รู้อ่ะตั้งต้นใหม่ถ้าไม่รู้ตั้งต้นให ม, ม, ใหม่หายใจชั่วโมงหนึ่งเราตั้งใจหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆในสักกี่ครั้งอ่าถ้าไม่เคยทําอ่าฝึกทําบ้าง เดินก้าวหน้าเอยหลงังที่เราเดินด้วยความเพลินอหยุดแล้วตั้งตาเดินเดินใหม่ได้ไหมได้เพราะฉะนั้นต้องทดสอบเข้าไปสู่ด้วยตัวเองทั้งนั้นนะจะอาศัยคนอื่นมากระตุ้นมาเตือนมาบอกมันไม่ได้หรอกเพราะมันจะต้องเกิดจากาสํานึกของเราเองเกิดจากความตั้งใจสติปัญญาของเราเองถ้าจะไปอาศัยสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมากระตุ้นมาสนับสนุนความอยากของเราเนี่ยมันไม่มี มันมีทางจะก้าวหน้าได้เพราะไม่มีใครจะมาคอยช่วยเราขนาดนั้นดังนั้นเราจะต้องเกิดศรัทธาและปัญญาของเราเองนะเห็นความสําคัญของตัวรู้สึกตัวที่เป็นปัจจุบันนะเห็นความสําคัญแล้วให้เรียกว่าให้ความใส่ใจเหมือนเราเห็นความสําคัญของเงินเดือนเดือน3าม0 0ื0นห้เนี่ยเราใส่ใจอ ย, อย่างดีตื่นเช้ามารีบแต่งตัวกระกาาดิกกว่าอาบน้ําเตรียมตัวกินข้าวไปตรงเวลาใช่ไหม เวลาไปทํางานกว่าทําอย่างประนี้ทําอย่างดีเจ้าในสั่งอะไรอะไรทําได้หมดเพราะอะไรเพราะมีเป้าหมายว่าจะได้เงินเดือน 50,000 ถ้าไม่ประนี้ขนาดนั้นมันไม่ได้มันก็ต้องสร้างแรงจูงใจเพราะนั้นตัวแรงจูงใจของเราอันนี้มันไม่ใช่เป็นทรัพย์สินสมบัติไม่ใช่เป็นเงินเป็นทองแต่ว่ามันเป็นยิ่งกว่านั้นซึ่งเราอาจจะสัมผัสมันไม่ได้ถ้าเปรียบเทียบกับสิ่งที่ผลประโยชน์ที่ตอบสนองที่เป็นวัตถุ แต่อันนี้ผลประโยชน์ที่ตอบสนองที่เป็นนมามธรรมเนี่ยเราก็ยังนึกไม่ออกว่ามันจะม า, มาในรูปแบบไหนนะแต่ว่าท่านผู้รู้ทั้งหลายได้มายืนยันมาประกันมารับรองเราว่ามันมีผลดีแน่นอนทําให้เราเนี่ยไม่ทุกข์ไม่วิตกกังวลเหมือนเมื่อก่อนทาให้จิตของเราสะอาดขึ้นทําให้เราแก้ไขความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นได้ทันที ทำให้เรารู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้แล้วทำให้จิตของเรามันหยุดมันเย็นมันสงบได้ง่ายนี่อันนี้สงอย่างนี้ท่านผู้รู้ท่านได้ตัดประกันเอาไว้เราก็ลองทาดูนะถ้าหากว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่นับได้เป็นเงินเป็นทองมันก็ไม่มีค่าอะไรแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่นับเป็นเงินเป็นทองไม่ได้เป็นสิ่งที่สูงค่าชีวิตของเราเป็นชีวิตที่เป็นมนุษย์ คือเป็นเพศสูงสุดในบรรดาสัตว์ทั้งหลายเราก็สมควรจะได้คุณสมบัติเหล่านี้มาเป็น <c oughs> นํามาอยู่ในชีวิตของเรานะัน่นก็หมายความว่าเราจะต้องมีความเพียรพยายามคนไหนที่มีอุปนิสัยเป็นคนขยันหมั่นเพียรแล้วคนนั้นก็จะได้เปรียบแต่คนไหนมีวุฒิในในการขี้เกียจขี้คลานก็จะยากหน่อยจจะช้าหน่อยก็ต้องฝึกนะต้องฝึกให้มากขึ้นเพราะฉะนั้นช่วงเช้าจากนี้ไปเนี่ยมาจะเดินพาเดินจงกลุ่มข้างล่าง สักพักหนึ่งแล้วก็จะเดินจบกลุ่มทางลู่ทางตรงนั้นนะนะเพื่อเราจะไปคุ้นกับบรรยากาศข้างนอกความตื่นตัวเราก็พอไปสัมผัสบรรยากาศข้างนอกมันมีสิ่งต้องระแวดระวังสิ่งต้องอตามรู้ได้มากขึ้นได้หลากหลายขึ้นนะเราก็หาวิธีการที่จะให้สังเกตว่ามันทําิ่งเผลินไหมเพลิคิดไปไหมเพลินพูดไปไหมหรือเพลิสนุกไปไหม ก็าตามรู้เร็วเร็วขึ้นนะเพราะฉะนั้นอตอนนี้เราตั้งแถวเดินชมกลมุ่มแล้วลงไปข้างล่างกัน